อสังคตะสั่งยุทธ์อสังคตะธรรมคือสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้สำหรับสั่งยุทธน์นี้คือการประมวลเรื่องการแสดงอสังคตะธรรมของพระผู้มีพระภาคนะครับทรงตรัสถึงอสังคตะธรรมว่าคือความสิ้นราคะความสิ้นโทสะและความสิ้นโมหะส่วนทางที่ให้ถึงอสังคตะธรรมนั้นตรัสว่า คือกายาคตาสติคือ County, สมถะละวิปัสนาคือสวิตกะสวิจาระสมาธิมา Superman, menu, สมาธิที่มีวิตกวิจารอวิตกะวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารอวิตกะอวิจาระสมาธิสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารคือสุญญตาสมาธิ สมาธิพิจารณาความว่างอนิมิตะสมาธิสมาธิพิจารณาธรรมะไม่มีนิมิตอปะนิหิตะสมาธิสมาธิพิจารณาธรรมะไม่มีความตั้งปรารถนาคือสติปัฐานสี่คือสัมมาปทานสคืออิทิบาทสคืออินรีห้าภละหโพชฌงเจ็ด คืออริยมรรคมีองค์แปดทั้งหมดนี้คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคทรงเรียกว่าทางที่ให้ถึงอสังกตะธรรมตรัสอธิบายถึงทางที่ใหถึงอสังกตตธรรมอีกว่าคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายอยู่พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ พิจรณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุในธรรมวินัยนี้สร้างฉันทะพยายามปราบรความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อป้องกันธรรมะที่เป็นบาปอากุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมุ่งมัน่น เพื่อละธรรมะที่เป็นบาปอากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมุ่งมั่นเพื่อทำกุศละธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพินโยภาพไยบูนเจริญเต็มที่แห่งกุศลละธรรมที่เกิดขึ้นแล้วอีกประการหนึ่งภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้เจริญอิทิบาท ที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขารและโดยในย่าเดียวกันจเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขารจเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารจเจริญสัททินซี อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสัก ข, ขะคือการสล ะ, จะเจริญวิริยินสีเจริญสตินสีจเจริญสมาธินสีจเจริญปัญญินสีอันอาศัย onte, วิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะคือการสละอีกประการหนึ่ง เจริญสัทธาพละเจริญวิริยพละเจริญสติพละเจริญสมาธิพละเจริญปัญญาพละอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในวอดสักคะอีกประการหนึ่งเจริญสติสัมโพชฌงเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงเจริญวิริยะสัมโพชฌง จเจริญปิติสัมโพชฌงจเจริญปัสสธิสัมโพชฌงจเจริญสมาธิสัมโพชฌงจเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธหนอมไปในโวตสักคะคือการสลักเจริญสัมมาธิฏฐิจเจริญสัมมาสังกัปป ะ, จะเจริญสัมมาวาจา เจริญสัมมารกรรมันตะเจริญสัมมาอาชีวะเจริญสัมมาวายามะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวตสักขะขคือการสละทั้งหมดแต่ละประการนั้นคือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทางที่ให้ถึงอสังกตธรรม แล้วตรัสโดยสรุปว่าภิกษุทั้งหลายอาสังคตาธรรมเราได้แสดงแล้วและทางที่ให้ถึงอสังคตาธรรมเราได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายอย่างนี้กิจใดที่ศาสดาผู้สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์พึงอาศัยความอนุเคราะห์กระทําแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราก็ได้กระทําแล้วแก่เธอทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจอย่าประมาทอย่าได้มีความร้อนใจในภายหลังนี้เป็นคาพระธรรสอนสำหรับเธอทั้งหลายของเราพระผู้มิพระภาคทรงสแสดงธรรมว่าด้วยความไม่น้อมไปและทางที่ให้ถึงความไม่น้อมไปแก่ภิกษุทั้งหลาย ส่งขยายความเช่นเดียวกันกับเรื่องของอสังคตธรรมนะครับซึ่งหัวข้อนี้จะมีธรรมเทศนาที่ตรัสถึงธรรมะอนหาอาสวะมิได้สัจธรรมธรรมะที่เป็นฟังธรรมะที่ละเอียดอ่อนธรรมะที่เห็นได้ยากยิ่งธรรมะที่ไม่กรำครื้ธรรมะที่ยั่งยืนธรรมะที่ไม่เสื่อมสลาย ธรรมะที่ไกลไกลไม่พึงเห็นธรรมะที่ไม่มีกิเลสเครื่องปรุงแต่งธรรมะที่สงบอมตะธรรมธรรมะที่ปราณีตที่ปลอดภัยที่เกษมธรรมะเป็นที่สิ้นตัญหาธรรมะที่น่าอัศจรรย์ธรรมะที่ไม่เคยปรากฏธรรมะที่ไม่มีทุกข์ที่ไม่มีเครื่องร้อยรัดนิพพาน ธรรมะที่ไม่มีความเบียดเบียนธรรมะที่ปราศจากราคะความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นธรรมะที่ไม่มีความอาลัยธรรมะที่เป็นเกาะธรรมะเป็นที่เร้นธรรมะเป็นที่ต้านทานธรรมะเป็นที่พึ่งและธรรมะเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทรงแสดงหัวข้อเหล่านี้ตรัสอธิบาย เช่นเดียวกับอสังขตะธรรมทุกประการจบอสังขตะสั่งยุด